การศึกษาเราเรียนแล้วก็ถือว่าผู้นั้นไม่ตั้งอยู่ในคาวะนี้แล้วก็เคารพในความไม่ประมาทมีอะไรบ้างที่ไม่ประมาทประมาทในวัยประมาทในความไม่มีโรคประมาทในโภคทรัพย์เงี้ยประมาทในอายุอายุยังยืนนานอยู่อย่างเงี้ยประมาทแล้วไม่ศึกษาทําไม่ประพฤติ ท, ทำหรือบางทีเขบอกว่า รอไว้ห้าสิบปีหกสิ 6, ปีค่อยเข้าวัดอนีอันนี้ประมาณไม่เขาลบการเข้ามาศึกษาธรรมหรือเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาเรียนรู้ธรรมเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดอายุเลยนังวิสาขาตั้งแต่เจ็ดขวบมานขึ้นมาไล่ตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปจนถึงแปดสิบนั่นเพราะฉะนั้นการขนขวายในฐานะของพุทธศาสนิกชนนั้นจะต้องขนขวายในขณะที่ควรจะกระทานั้น ต้องขนขวายในการกระทาต้องใส่ใจไม่ใช่ว่ารอให้แก่ก่อนเรื่องของคนเข้าวัดเขา้าวาเป็นเรื่องของคนอายุเยอะพวกคนแก่คนเฒ่าอะไรพวก น, นี้เข้าใจหเนี้แล้วก็ไม่เคารพปฏิสันฐานคือการต้อนรับนี่คือความสำคัญอย่างหนึ่งนะผู้เย้าเห็นความสำคัญตัวนี้นโทษของการหุงต้มอาหารในเวลาสายย่อมไม่ได้รับย่อมไม่ได้การต้อนรับแขก ที่ควรต้อนรับตามการเวลาแล้วก็ไม่ได้บูชาเทวดาผู้รับพรีตามเวลาหมายถึงว่าเวลาคนไม่ได้จัดแจงอาหารไว้แต่เช้าเนี่ยพระไปบิณาบาตก็ไม่ได้ใส่บาตรใช่ไหมเวลาเช้าเราก็ไม่ได้ทําบุญเทวดาที่เขาทําการอาราขาในเวลาเช้าเขาก็ปฎถนะทำบุญปฎถนาจะเอาบุญกับมนุษย์เขาก็ไม่ได้รับ มนุษย์ไม่ได้อุทิศบุญให้เขาเพราะว่าเทวดาผู้รับผลีกรรมตามเวลาคือเคยได้เวลาเช้าอย่างเงี้ยปกติเวลาเช้าเคยได้รับบุญจากการที่ได้อุทิศบุญให้ก็ก็ไม่ได้รับเมื่อไม่ได้รับเทวดาเหล่านั้นก็จะส่งสัญญาณให้มนุษย์ผู้ไม่ได้อุทิศบุญให้เกิดอาการจามบ้างปวดศรีรษะบ้างเกิดโรคบางอย่างบ้างเล็กๆน้อยขึ้นอย่างเงี้ย ในร่างกายเทวดาก็าทำได้แต่ทําเพื่อให้เรารู้สึกตัวว่าขอบุญหน่อยอะไรประเภทนี้ยในในความหมายหน่ยนะก็เลยว่าไม่ได้บูชาเทวดาบูชาต้องเข้าใจนะบูชานี้ไม่ใช่ไปรการาบไหว้นะอุทิศบุญในทางพุทธศาสนาคำว่าบูชาเนี่ยคือการอุทิศบุญให้ไม่ได้ต้อนรับสมณพาหมผู้ฉันคนเดียวงดการฉันในเวลาคืนเวดการฉันในเวลาวิการตามเวลา ภิกษุผู้ตั้งทุดงคขวัตในการฉันในเวลาเดียวในเวลาเช้าหากเราไม่จัดแยงแต่งอาหารเตรียมที่จะทำบุญกับพระภิกษุในเวลาเช้าภิกษุผู้ตั้งทุดงคขวัตฉันเวลาหนเดียวเนี่ยไม่ฉันเวลาวิการหรือไม่ฉันในเวลาสายอย่างเงเราก็พลาดจากการทำบุญกับภิกษุนี้ภิกษุก็จะพลาดอาหารในการดำรงชีพของตนตเนี้ย อันนี้คือข้อที่3ข้อที่4พวกคนใช้คนงานและบริวารหลบหน้าทําการงานเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีอาหารเลี้ยงดูเขาก็ไม่มาทําการงานมันจะเป็นเพนลียข้อที่5้อาหารที่บริโภคในเวลาที่ไม่ควรเช่นนั้นไม่มีโอชากินข้าวก็ไม่อร่อย ถ, ถ้าไม่กินตามเวลาที่ควรกิน กินผิดเวลากินยังไงก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่จเจริญอาหารอะไรพวกนี้มันไม่มีโอชารสชาติความฝอยดีเท่าไหร่ปกติร่างกายเราตื่นมามันก็ต้องการรับอาหารแล้วยเงี้ยเมื่อไม่มีอาหารเข้าไปมันก็ผ่านช่วงเวลานั้นม า, มาก็กินอะไรก็าารก็ผิดเวลาไปาหมดภิกษุทั้งหลายทั่ท่าประการนี้แลมีอยู่ในสกุลที่หุงต้ม อ, อาหารในเวลาสาย เจอก็อยากจะอ่านให้ฟังหลักคําสอนที่เกี่ยวโยงกับพวกเราในระดับชาวบ้านวารีโทษของการภ่าป่า หามันเยอะอยากจะรู้กว่าเอาไปอ่านคาเต็กิโดเคยมีคนมาถามว่าคือเขาถามว่าพระอาจารย์การทำบุญที่อนิสงส์แรงที่สุดอนิสงส์มากที่สุดคือบุญกระถินใช่ไหมเพราะเข้าใจกันมาโดยตลอดว่า ทำบุญกระถินเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงมากเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากอานิสงแรงเขาเข้าใจมาอย่างนั้นแล้วเพว่เราเข้าใจาาไว้ไี้จะทำบุญผ้าป่าก็ยังไม่เท่าอานิสงกระถินเข้าใจกันนะบุญที่พระองค์ทรงตัดว่าได้บุญมากคือบุญอะไรในชั้นของวัตถุทานเนี่ยนะ บุญอะไรสังฆท า, านบุญกรถินก็จัดอยู่ในสังฆท า, านถ้าจะจัดนะแต่ชื่อนะ่ยชื่อว่ากรถินชื่อของทานชื่อของทานนั้นเรียกว่ากรถินแต่ตัวทานน่ะจัดเป็นสังฆท า, านเพราะอาศัยภิกษุอัปโลกคือแบ่งอะไรก็ตามที่เป็นสังฆท า, านจะทำการอัปโลกเรียกว่าแบ่งแต่ใช้สงฆ์ปัญจวัค คือใช้สงฆ่ารูปอัปโลกซีรับหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็จัดอยู่ในสังฆทานพรต้องแบ่งแบ่งของทานให้แก่พิสูรรูปใดรูปหนึ่ง<ม>ก็เท่ากันห้สงฆ์เท่ากันแล้วทาไมเขาถึงบอกว่ า, วากระถินได้อา น, นิสงส์แรงกว่ามากกว่าอา น, นิสงส์สูงสุดกว่าการใ ห, ให้ทานทำบุญทั้งหลาย ในบรรดาวัตถุทานผู้เจ้าตัดอะไรที่สูงกว่าสังฆทานผู้เจ้าตัดอะไรในวัตถุทานนะนะในบรรดาวัตถุทานนะี่ น, น, น, นะใช่พระรเจ้าบอกว่าให้สังฆทานหนึ่งอครั้งหมายถึงว่าทำกระถินหนึ่งรยครั้งไม่เท่ากับทําวิหารทานหนึ่งครั้ง วิหารทานใช่ก็มีตั้งแต่กุฏิสาลาโบสถห้องน้ำกระต๊อบก็ได้อะไรบรรดาเสนาสนะไม่ว่าจะเป็นเตียงต่างพวกเนี้ยเก้าอี้ก็จัดจัดว่าเป็นวิหารนะอยู่ในส่วนของวัตถุทานที่มีผลมาก เอาสังฆท า, านสังฆท า, านที่มนุษย์วิหารทานนี้ก็จัดอยู่ในสังฆท า, านอย่างหนึ่งนะคือทานเพื่อสงฆ์แต่แต่ผลทานจะสูง ก, กว่าสังฆท า, านตรงที่ว่าวิหารทานนี้เป็นทานที่อยู่ได้ยาวนานกว่าสังฆท า, านถ้าเป็นอาหารประเภทอาหารเนี่ยภิกษุบริโภคในวันนั้นหมดในวันนั้นใช่ไหมวิหารทานเนี่ย ยังอยู่อีกนานไหมแล้วได้ภิกษุได้ใช้สอยตลอดยีิบสีช่ชั่วโมงบุญเกิดตลอดยีิบสีช่ชั่วโมงแต่วิหาระเออแต่สังฆทานเอาที่ถวายผ้ากระถินแต่ถวายผ้ากรถิ่นเสร็จนะถวายผ้ากระถินเสร็จบุญเกิดในขนาดที่ถวายผ้ากระินภิกษุรับผ้านี้ไปใช้สอยสูงสุดนะผ้าจีวรนี้จะอยู่ได้กี่ปีสี่ห้าปีเอาโดยที่สุดแม้เป็นผ้าเช็ดเท้าเนี่ย โดยที่สุดแม้ผ้านั้นชำรุดไม่สามารถที่จะใช้กลุมกายได้แล้วไปเป็นผ้าเช็ดเท้านับรวมกันแล้ว อ, อายุการใช้งานกี่ปีผ้าจีวรถึงสิบปีไหาม้อัตมาน้มาบวชมาสิบห้าปีผ้าผืนที่เคยรับมาไม่เหลือสากแล้วตอนนี้ <laughs> ไม่เหลือสาก <laughs> อยู่ได้ประมาณ5้าหกปีนี่แหละ ความผูกความอะไรมันก็มีใช่ั้ยล่ะตอนโดยเพาะอยู่ในป่าเนี่ยมันผูกมากขาดฉีกขาดก็ยุ่ยเปือ่อยอย่างเงี้ยอยู่ได้อยู่ได้ประมาณหปีหปีอ่ะโดยที่สุดแม่จะเป็นผ้าเช็ดเท้าก็ตามประมาณนี้ส่วนวิหารที่สร้างอยู่ได้กี่ปีอดหลายสิปีทีนี้วิหารทานนี่ถือว่ามีผลมากกว่าการถวายกระถินาทานใช่ไหม ดฉะนั้นความเข้าใจที่ว่ากฐินนี่มีบุญอันอิสงศ์แรงมากเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเข้าใจไหมเพราะว่ า, าพิกษุอยู่จําพรรษาผ้าชํารุดผ้าเปียกฝนมันชื้นมันเปียกหรือว่าถึงการชํารุดหนูกัดบ้างถึงความเก่าบ้างหนึ่งปีที่พิสุจำพรรษาอยู่ เป็นฤดูการของการเปลี่ยนผ้าหากภิกษุไม่ได้รับผ้าในฤดูการนั้นภิกษุก็ต้องรอฤ ด, ด, ด, ด, ดูการต่อไปพระองค์จึงให้ความสําคัญกับกะทินว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใช้ผ้าที่เก่าแล้วถึงเขาที่จะเปลี่ยนผ้าแต่ไม่มีผ้าเปลี่ยนก็จะถึงความลําบากในการสแสวงหาพระองค์จึงให้ความสำคัญกับกะินว่าออกพรรษาแล้วให้ถวายผ้ากะทินซึ่ง จะรับได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีพระเจ้าให้ความสำคัญกับกระถินแต่ไม่ใช่ว่ามันจะได้อา น, นิสงส์มากกว่าการถวายทานในบรรดาวัตถุทานทั่วไปอา น, นิสงส์ไม่ได้แรงกว่าวิหารทานได้ผลมากกว่านะทีนี้ทานที่ได้สูงกว่าวิหารทานคืออะไรวัตถุทานนี่แหละ <ใน S 1> อ่า เนี่ยยัเป็นสังฆทานอีกอยู่สังฆทานนีให้ให้สังฆทานหนึ่งรอครั้งไม่เท่ากับวิหารทานหนึ่งครั้งแล้วให้วิหารทานเนี่ยหนึ่งรครั้งไม่เท่ากับอะไรอจุดจุจุดอะไรพูดถึงวัตถุวัตถุานวัตถุานอะไรที่มันนานกว่าวิหารทานอะไรที่อยู่นานกว่าวิหารทาน สารานี้อยู่ได้สูงสุดกี่ปีถ้าสร้างดีๆก็ได้นานบเจปีถึงร้อยปีถ้าถ้าถ้าโครงสร้างดีๆถามว่าถ้าซื้อที่ดินผู้เยาวบอกสร้างอารามอารามบ่อน้ำถนนหนทางประเภทเนี้ยที่ดินะอยู่ได้กี่ปี เราตายไปแล้วนะเราตายไปแล้วปุ๊บไปบังเกิดที่ไหนก็ตามพลังบุญที่เกิดจากการทำบุญในการสร้างอารามจะสืบเนื่องไปหาจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะเราได้ทำไว้แม้เราจะตายไปเป็นอะไรแล้วก็ตามบุญยังเกิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะงใ ช, ใช่พ่อมันไม่ได้สูญสลายหายไปง่ายๆโน่นกับพินาศโลกนี้แตกสลายภาษีอริยเมตตาอันนี่ บุญท่าน ย, ย, ย, ย, ยังยังมีอยู่นะยังยังสืบเรื่องกับจิตเราอยู่เห็นไหมกฐินนี่ถือว่าเล็กน้อยมากเลยนะไม่ไม่ ไ, มได้เป็นอันิสงส์ใหญ่ยอย่างที่เขาว่ากันอย่างที่เขาพูดกันเขาแค่เอาเอาการโฆษนามาเพื่อให้คนเออมาทำบุญเยอะๆแค่นั้นเองพระเจ้าให้ความสำคัญในกฐินก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอันิสงส์มากไม่ใช่เราทำถนน เราสร้างอารามที่เป็นพื้นดินนี่มันได้บุญมากกว่าเยอะมากกว่าในวัตถุทานทั้งหมดในชั้นของวัตถุทานนี้นะได้บุญมากกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ทำถนนไปวัดหรือทำถนนที่ไหนก็ได้ไใช่สาธารณะแต่ถ้าเทียบถ้าทำถนนเป็นสาธารณะได้ได้บุญสูงสุดได้แค่ดาวดึงแต่ถ้าทำในในในพุทธศาสนา ได้ชั้นไหนนิมมาน ล, ะละตีนางวิสาขาสร้างบุพารามสร้างอาวาตอาลามนะบุพารามไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นนิมมาน ล, ะละตีเสวยบุ ญ, ส, บญสูงสูงกว่าชั้นดาวดึงดาวดึงนี้เท้าสกากะอดีตชาติคือสร้างถนนสร้างถนนสร้างศาลาตามที่ต่างๆให้คนพัก พวกเดินทางสร้างศาลาสร้างสวนยอมปลูกต้นไม้แผวทางถนนไปจนตายไปกับพวกไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงผลแค่นั้นแต่นักวิสาขาสร้างอารามในพุทธศาสนาไปชั้นนิมมาละตีชั้นที่หกนิสงต่างกันนะ <c oughs> ในชั้นของวัตถุทานแต่ถ้าให้ให้ทานที่สูงกว่าวัตถุทาน ทั่วไปในตัววัตถุสูงกว่าพวกนี้คืออะไรอั น, นิสงส์สูงกว่าพวกสร้างอารมาไม่ใช่เอาเอาวัตถุยังมีสูงกว่าอีกน่นนนนก า, หนาให้ตัวเองเป็นทาน <laughs> อย่างนี้ ให้อัตมาให้ตัวเองเป็นทานถาวายตัวเองในพุทธศาสนาข้าพเจ้าขอมอบกายถาวายชีวิตนี้ในพุทธศาสนาอันนี้สงฆ์เยอะไหมถ้าไม่เยอะไม่ได้มานั่งคุยให้ฟังอย่างนี้หรอกไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ทำไมเอาตัวเองมาถวายไว้ไในพุทธศาสนาเพราะวัตถุทานก็คือวัตถุทานใช่ไหมก็ยังอยู่ในโลกเนี้ย แต่การที่ถวายตัวเองเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาปฏิบัติตัวเองเป็นไปตามหลักคําสอนในพุทธศาสนาสามารถออกจากวัฏฏะได้และช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายผู้ตกอยู่ภายในห่วงแห่งทุกข์พ้นจากทุกข์สามารถนําคําสอนมาชี้ทางอื่นได้ยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลกได้อีกมากมายถน น, นทอนทางแค่แคประโยชน์ในการสัญจรอารางก็เป็นที่อยู่อาศัยแก่ผู้คนดับทุกข์ให้คนได้ไหมไม่ได้แต่ภิกษุรูปใดผู้คนผู้ใด ที่ได้สละตนเองได้ให้ตนเองมาเป็นทานในพุทธศาสนาได้ถือว่าทำประโยชน์สูงสุดได้อา น, นิสงส์สูงสุดแม้จะอยู่แค่ชั่วอายุเวลาหนึง่งไม่ถึง100ปีไม่เหมือนกับถาวรวัตถุทั่วไปแต่อา น, นิสงส์และคุณค่ายิ่งใหญ่และสูงส่งกว่าให้ตัวเองเป็นทานเพราะฉะนั้นให้ เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ที่เข้าใจว่ากระถินได้อานิสงส์สูงสุดนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องเพราะทานข้านิยมในการทำกรถินก็ขอให้เข้าใจว่าที่เขาพูดกันนั้นเป็นเพียงแค่คําชักชวนคําโฆษณาแต่ไม่ใช่การอานิสงส์ที่แท้จริงได้อานิสงส์ไม่ได้แรงเหมือน ก, นกันกับการสร้างวัตถุทัน ในชั้นของมีหารทานหรืออาลามหรือสาธารณประโยชน์หากจะทํากระถินหนึ่งร้อครั้งไม่สู้สร้างถนนที่เป็นสาธารณประโยชน์หนึ่งครั้งหรือสร้างสวน ส, สาธารณะหนึ่งครั้งหรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยสมมติว่าเร า, เราจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งที่ต้นไม้ที่อายุยืนยืนมากที่สุดกี่ปีมีมีต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดกี่ปี เกิดร้อยปีมีไหมสามร้อยถึงสี่ร้อยปีมีไหมอันนั้น ก, ก็มากกว่าวิหารธาตน้องเขาบอกเอาต้นไม้ทําไมจะได้อริสงมากกว่าวิหารธานุมันเป็นต้นไม้ไม่ได้สร้างอะไรซะหน่อยเราอาจจะคาดคิดไม่ถึงในสิ่งที่โป่งทรงบัญญัติไว้ต้นไม้เนี่ยมีคุณค่าต่อคนมากใช่ไหมต่อคนต่อสัตว์ต่ออะไรมากมาย ต้นไม้นี่ยนะยิ่งยิ่งเติบโตมากเท่าไหร่ก็ยังมีคุณค่ากับคนมากเท่านั้นอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อชาวโลกสิ่งเหล่านั้นอ่ะจะยังคุณค่าและกก่อให้เกิดประโยชน์ตรงเนี้ยไม่ใช่อยางมาเจาะจงแต่บุญกระถินบุญกระถินบุญกระถิ่นปีหนึ่งมีหนหนึ่งก็ถูกปีหนึ่งมีห น, หนึงแต่ก็ ไปโฆษณาเกินไปอันนิสงแรงอันนิสงมาก น, นี่เป็นเงิงนคนยึดกระิ่เงิงนกระถินก็เป็นตัวเงินสร้างพระพุทธรูป1องค์ใหญ่ที่สุดในโลกกับสร้างศาลา1 ห, หลังอะไรจะนิสงมากกว่าศาลา1หลังศาลาศาลาหงหลั ง, ารา ง, ลงเราสร้างพุทธรูปไม่ได้อันนิสงอ่ะ สารามีผู้ได้ใช้ประโยชน์มาก่อแล้วพุทธรูปไม่ได้มีการใช้ประโยชน์กันเหรอไม่มี<ะ>นนมันจะเป็นไปทางในใ<ช>นในงองความใคนความงงงายจะเป็นไปในความงงงายใช่ไหมมันเลยไม่ได้มีประโยชน์ตรงนี้าบางทีคนไม่ได้มีพุทธรูปไว้เพื่อความงงงายเขามีไว้เพื่อ เป็นเครื่องระ ล, ลึกถึงเป็นเครื่องน้อมจิตน้อมใจในกุศลก็มีนะในงมงายก็มีก็มีมเขาเขาไม่ได้ใช้เพื่อในความงมงายลงหลงไหลในเช่นเอาไว้กันกันเป็นของขังกันอะไรกันมีดกันปืนกันผีกันไสยศาสตร์อะไรเภกนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าพวกประเภทเอามีพุทธลูกใบหนึเอาไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เอาไว้เป็นของคุ้มครองปกปักรักษาเอาไว้กันนั้นกันนี้กันผีกันอะไรต่างๆเนียการเอาสิ่งของเหล่านี้เอาพุทธลูกหรือรูปเคารพไว้ในฐานะอย่างนี้นั้นชื่อว่างมงายแต่ก็ธรรมดาคนก็มีความวาม ง, งายอยู่ในตัวเองก็ให้ขงงมงายในส่วนนี้ในส่วนที่เขาต้องงม ง, ง, งายไปก่อนแต่ถามว่าได้บุญเท่ากับสร้างสล า, าไหมได้บุญเท่ากับทากถินไหมได้บุญเท่ากับทำบ ท, ทำสังฆทานหม ไม่ได้นะพธิสุขสร้างรูปเคารพวัตถุบงคลพวกพเนี่ยพวกโทธิูกเนี่ยไม่ได้บุญเท่ากับสร้างทำสังฆทานแม้หนึ่งครั้งได้บุญเท่ากับให้ทานแบบธรรมดาธรรมดาไหมให้ทานด้วยคนกันเองเนี่ยได้บุญเท่าไหมสร้างสร้างโพธรลูกใหญ่ที่สุดในโลกได้บุญเท่ากับ ก, บการเอาน้ําให้กันขวดหนึ่งไหมเอาน้ําให้กันเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยได้เท่าไหมน้ำไม่มากกว่านะ น้ำได้มากกว่าแล้วเราสร้างทำไมพุทธลูกองค์ตังเบลอเบลาเพื่ออะไรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนไปไยอดเงินให้คนไปกราบไหว้วรู้ไหมทำไมว่ามันถึงไม่ได้บุญมากเท่ากับการเอาน้ำให้กันหนึ่งขวดชาวบ้านเอาน้ำมาซื้อน้ำให้กันหนึ่งขวดหรือว่าให้ทานน้ำกันหนึ่งขวดเนี่ยได้บุญเท่ากับได้บุญมากกว่าการสร้างพุทธลูก ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอะไรรู้ไหมการให้ทานลักษณะอย่างเี้พุทธเจ้าตัดไว้ใช่ไหมให้ให้วัตถุทานให้น้ํากันน่ยพุทธเจ้าบอกให้ข้าวให้น้ําให้เสื้อผ้าให้อาหารให้ยานพาหานะให้วัตถุเข้าของพุทธเจ้าตัดสอนไว้ใช่ไหมให้สร้างพุทธรูปพุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้ไหมเพราะฉะนั้นการสร้างพุทธรูปจึงไม่ใช่เป็นบุญในทางพระพุทธศาสนา อาจจะเป็นบุญในแง่มุมอื่นแต่ไม่ใช่บุญในธรรมพระพุทธศาสนาเด็ดค่ะแม้จะเป็นการสร้างรูปพระรบของพูะพุทองค์ก็ตามใช่ไหมล่ะเพราะพระองค์ไม่เคยตัดบอกให้สร้างในคราวที่พระองค์เสด็จไปจาลิกไปสู่เมืองอื่นแล้วไปเจอพระธาตุอะไรพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระนามว่าวิปัสสีเรื่องไงเนี่ย หรือปอบทูบุตรละประมาณเนี้ผู้เจ้าเห็นผู้โพงก็พาพิสู้งหลายกาบพาท่ากาบเสร็จพระองค์ก็จะลิกต่อพระองค์ไม่ได้ให้ พ, พิกษุไปทําการบูรณะสถูปตัวนั้นไม่ได้ให้พระพิสูจะต้องไปสร้างอะไรไว้ตรงนั้นกราบเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปต่อผู้องก็กล่าวถึงว่านี่คือสถูปของพระพุทธเจ้าองก่อนผู้องก็ตัดให้พิสู้งหลายได้ฟังเพื่อ ย, ยังจิตเยื่อสายให้เกิดขึ้นมาอ๋อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ยัง เหลือล่องลอยของเก่าไว้การเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปสู่เมืองอื่นพระองค์ก็ไม่ได้มาเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างสถูปพวกนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นของพระทเจ้าองค์พระ อ, องค์ก่อนเพราะอะไรทําไมพระ อ, องค์จึงไม่ชี้บุญที่เกิดจากการสร้างรูปเคารพในตัวของพระ อ, องค์ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหม เพราะชื่อว่าไม่สามารถยังประโยชน์ในการสื่อต่อาศาสนาให้เป็นไปหมายถึงว่าพระาศาสนาจะไม่สื่อต่อด้วยวิธีการอย่างนั้นด้วยวิธีการสร้างรูปเคารพพระศาสนาไม่ได้สืบต่อด้วยวิธีการอย่างนั้นแต่พระพุทธศาสนาสื่อต่อด้วยการปอบพืชตามหลักธรรมคาสอนพระเจ้าบอกว่ามีทานให้ของให้ทานกันก็เราก็ซื้อของให้ทานกันทานเป็นเครื่องสื่อต่อาศาสนานะทำไมาศาสนาพุทธในอินเดียถึงเสือ่อม เพราะขาไม่ให้ทานเขามีแต่ขอลงจากรถไปนี่มือดำๆยื่นมาแล้วเต้มไม่หมดเลยขอเขาไม่มีการให้ทานอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้ น, น, นเขาไม่มีการแบ่งคำว่ า, า, ใ า, า, าให้ทานคําว่าให้ทานหมายว่าให้โดยการขายายผลเป็นที่เขาเรียกว่าประพฤต์เป็นที่ตั้ง ในการให้โดยที่ชาวบ้านหรือใครก็ตามประพฤติโดยเป็นอาจินคือให้กันโดยปกติตรงนี้เขาไม่มีแต่อาจจะมีที่ว่าเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากมาให้การให้ทานนานๆครั้งหนึ่ง่มีอาจจะมีตรงนั้นแต่ไม่มีการให้กันโดยปกติมีแต่แย่งของกัน มันการแย่งของไม่มีการให้กันแย่งของกันเพื่อเอามาเป็นของตัวเองตรงนี้มันเลยทําให้าศาสนาพุทธไม่สืบต่อจริงๆนะาศาสนาพุทธไม่สืบต่อเพราะไม่มีการให้ทานที่ไหนก็ตามหมดการให้ทานที่นั่นพุทธศาสนาจะไม่เจริญพระพิสูจนเดินไปบินนาบาตไม่มีใครใส่ข้าวจะอยู่ได้ไหม ศา ส, สนาพุทธจะอยู่ต่อได้ไหมล่ะไม่ไ ด, ไได้แต่หากตราบใดที่ยังมีผู้ให้อาหารแก่พระพิสุไปบินาบาตยังเอาอาหารมาให้หรือยังใส่บาตรยังให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยอยู่ศา ส, สนาพุทธสืบต่อได้ไห ม, ไมสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีการให้ทานศา ส, สนาจะสืบต่อได้ไหมล่ะเนี่ย <laughs> อาตมาไปแล้วที่อินเดียเขาเห็นโอ้เ้ามีแต่แย่งของกันให้ของอะไรแย่งกันไปหมดเลยนะอะไรก็ไม่รู้กูแย่งกันแบบคือเราบอกให้เลี้ยงคิวมันไม่เรียงอ่ะมันไม่มีการเรียงเลยแถมถ้าเราไม่ให้มันมันทำร้ายเราอีกนั่นคือคนอินเดียมันเหมือนกับว่าของนั้นเป็นของมันเลยมันจะแย่งแย่งเอาไปเป็นของมันเลยหมายว่าเราต้องให้มัน พอเริ่มที่ไปตั้งวัดในอินเดียก็ไม่ใช่ว่าไปเผยแพ่ศาสนานะเท่าที่เห็นนะแค่ไปตั้งอารามขึ้นให้คนพุทธให้คนทางเมืองไทยเนี่ยไปพักเพื่อนำมาส ก, การสังเวชนียศสถานเท่านั้นเองไม่ได้เผยแพ่อะไรเ้าก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะในทางพุทธศาสนาเท่าไหร่หรอกคนอินเดียนะถามว่าก็ยังเห็นมีการใส่บาตรกันอยู่ ก็ถูกก็ใส่บาทอันนั้นก็เป็นการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูไม่ใช่ว่าไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอินเดียกับการที่ออกจากลิกบินาบาัตรและสอนให้คนให้ทานน่ยอันไหนเผยแผ่ศาสนาดีดีที่สุด <Okay. S 1> ถ้าเราจะไปเผยแผ่ศาสนาโดยสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ใญไวแ้แต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองกับให้พิสูจน์เดินจาริกไปตามเมืองชาวบ้านเห็นเขาสนใจใช่ไหมเออนี่ใครเขาบอกพระพิสูจน์พิสูจเป็นประเภทไหนเป็นนักบวช นักวชนั้นเขาดำรงชีพได้อย่างไรดำรงชีพด้วยอาหารที่ชาวบ้านเขาให้อย่างเงี้ยพอเขาทราบอ๋อนักปวดเหล่านี้ดำรงชีพด้วยอาหารที่ชาวบ้านเขาให้พอให้พอให้ปุ๊บอาการที่เขาให้กิริยาที่เขาให้เนี่ยมันจะทําให้จิตใจเบิกบานจิตใจที่เบิกบานจึงเป็นจิตใจที่พร้อมจะรับฟังธรรมคือภิกษุสามารถถ่ายทอดธรรมให้แก่ดวงจิต ด, ดวงนั้นได้อย่างเงี้ยเขาจะมีการจัด อบรมกันให้ภิกษุเข้าอบมรมทรมทูตหรืออะไรที่ประเทศอินเดียโดยการเดินจาลิกต่อแถวกันป้าก็มีคนมาใส่บาตรแต่ก็ไม่มากอะ่ะน้อยไอภาพที่เห็นน่ะที่ถ่ายมาไม่ใช่เยอะนะน้อยมากที่เขาเห็นคนอินเดียมาใส่บาตรกันนะแต่ส่วนมากกองสเสบียงตามหลังจะเยอะอันอันอันกองสเสบียงตามหลังคือคนของเราเองแต่เหมือนกับว่าไปสร้างสร้างภาพอย่างเงี้ยให้เขาเห็น คือมันต้องสร้างภาพให้คนเห็นก่อนแม้แต่สีรังกากเขายังเขายังว่าประเทศไทยเนะี่ยในประเทศไทยเป็นผ้าที่เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนาได้เลยเพราะหนึ่งชาวบ้านรู้จักให้ทานกับผระพิสูจ์แบบรู้กันแบบเป็นอัตโนมัติเลยแต่ทางโน้นเขาเขาบอกไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนคนไทย จะได้รับอาหารแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่ง่ายๆฝายืดเครื่องเหมือนกันนะทางศีลังกาไม่ได้เหมือนคนไทยแต่เขาจะเน้นเรื่องการประพฤติศีลแต่ก็ศีลแบบนั้นแหละโปปาลกศีลศีลแบบตามประเพณีเขาประพฤติกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสาระแก่นสารอยู่ที่การประพฤติตามหลักทำคำสอนเริ่มจากทานก็เป็นศีลใช่ไหมจากศีลก็เป็นสมาธิ จาสมาธิก็เป็นปัญญาใช่ไหมจากปัญญาก็เป็นวิมุตใช่ไหมจากวิมุติก็เป็นวิมุตติยานาะัะสนะจากวิมุตติยานะคะสนะก็เป็นนิพพานถามว่ามีไหมที่เริ่มเริ่มต้นด้วยการสร้างพุทธรูปก่อนมีไหมแต่เริ่มต้นด้วยรัตนาตายก่อนะมีใช่ไหมหลักหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นหนึ่งเริ่มต้นด้วยรัตนาตาย รัตนไตาทานเอทานก่อนทานก่อนพระรัตนไตาตามมาศีลจึงตามมางงไหมเออเราน้าจะเริ่มต้นรัตนาไตาก่อนทําไมต้องไปเริ่มทานก่อนแม้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนไตา ย, ยังทาบุญได้ไหมได้มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าทานนั้นจะต้องมีพระรัตนาไตา ก่อนเสมอแม้ไม่นับถือรัตนนาไตาก็สามารถทำบุญได้เพราะบุญก็ยังจะประโยชน์ให้กับบุคคลผู้นั้นในภายหน้าแมา้เขาจะไม่พ้นจากอบัยภูมิเมื่อไปสู่อวัยวภูมิเช่นไปสู่กมือสัตว์สัตว์ฉันผลแห่งคานที่เขาได้ให้ไว้ก็จะทำให้เขาดารงชีพในความเป็นสัตว์สัตว์ฉันนั้นไม่อดอยากถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาวัดลววะเนีย <laughs> มีอาหารการกินเยอะลระเพเนี้ย แต่วัดก็เดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับวัด嘛อย่าเาหมาาแมวมาปล่อยเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอะไรที่เขาลงโซเชียลอะไรกันขี้เต้ไปหมดเขาบอกแล้วแม่ไว้วัดจะไปไว้ที่ไหนเอาอยู่แหละพระน่ะบิณาบาทังไปขอข้าวยมเลยโยมออกหมามาปล่อยวัดจะเป็นอะไรไปมันอะไรทีนี้ ภาคก็พูดไม่ออกก็ว่ากันไปในเรื่องของชาวโลกนะให้ทานโดยไม่มีพระรัตนตรัยก็ไม่เป็นไรแต่ให้ทานโดยที่มีพระรัตนตรัยนั้นเพื่ออะไรเพื่อปิดอบายภูมิใช่ไหมพอพระรัตนตรัยนี้เป็นเครื่องประกันชัดเจนอยู่แล้วว่าบุคคลผู้ยึดถือรัตนตรัยจกไม่ไปสู่อบายภูมิเลยตลอดแสนกับหมายถึงว่า เวลาให้ทานจะต้องให้ทานอยู่บนพื้นฐานพารัรตนาไตรในฐานะของชาวพุทธแต่ศาสนาอื่นเขากระทาบุญกับคนพุทธได้คือทําบุญกับพระพิสูจนได้ทําบุญกับคนพุทธได้พระเจ้าบอกว่าการทําบุญกับบุคคลผู้นับถือพารัตนไตายแม้ผู้นั้นไม่ใช่พระพิสูจน์เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีพารัตนไตายยึดลัตนาไตายอย่างมั่นคงตลอดสิ้นชีวิตไม่ถื อ, อสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว ทางใจตลอดชีวิตมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รัตนไตยสาประการนี้หากยึดถือยึดมั่นยึดเหนี่ยวบุคคลนั้นเรชื่อว่าเป็นอุบาสกบาศิกาในทางพูทศาสนาบุคคลนอกศาสนาเช่นเรามีเพื่อนคนนอกศาสนาใช่ไหมละ่ะเขาซื้อของมาให้เราหรือให้ของทานกับเราเขาจักมีผลบุญมากมีอริสงมากกว่าการให้ทานในคนของเขาเองพุทธเจ้าว่าอย่า ง, งั้นนะ ให้ทานกับคนที่นับถือพระัตนาไตมีอริสงมากแล้วก็สามารถอุทิศบุญได้ด้วยหมายถึงว่าแม้หากมีคนตายไปในในหมู่บ้านของเรานะในเกี่ยวกับญาติพี่น้องของเราแม้ไม่มีพระเลยอยู่ในเขตบริเวณนั้นเราสามารถตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่นับถือพระัตนาไตไว้ให้เชิญเข้ามาสู่สถานที่ที่มีคนตายแล้วทาบุญกับ บุคคลผู้นับถือราตาัตนนไตอุทิศให้กับผู้ตายก็ได้ไม่จําเป็นต้องอาศัยพระก็ได้หรือหากเราเป็นผู้นับถือพระรัตนนไตอยู่แล้วเราเองนั่นแหละตั้งตนให้เป็นเป็นที่การทาบุญให้ทานแก่คนอื่นเรียกไหมเขาเอาของทานมาให้เราโดยที่เรามีพระรัตนนไตเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ตลอดเนี่ยสิ้นชีวิตคาว่ามีพระรัตนนไตเป็นที่ยึดเหนี่ยวคือจะต้องไม่ยึดถือลูกคอรพเครื่องรางของขังวัตถุปลุกเสก เครื่องบงคลต่างๆนานาที่เขาทํากันขึ้นในเวลานี้เต็ไมไปหมดนั่นแหละเครื่องบุ ktee ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ผ่านพิธีกรรมใหญ่ๆมาเนะี่ยมายึดถือสิ่งเหล่านั้นพระราตนาไตยไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นหากบุคคลใดยังยึดถือสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจว่าตนเองไม่ได้ยึดถือระตนไตยที่แท้จริงไม่ได้มีพระราตนาไตที่แท้จริงผู้เจ้าตรับุคคลผู้ยึดถือรัตนาไตคือประเภทที่ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ไม่ผ่านการปลุกเสกไม่ใช่ลูกเคารพไม่ใช่เครื่องรางไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พระพุทธรูปนั้นน่ะสามารถเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญของคนอื่นได้เพราะอะไรพู้ว่าบอกว่ า, วาบุคคลให้ทานแก่ผู้มีฌานและสมาธินอกพระพุทธศาสนาหรือสีดาบทหรือพวกมีสมาธิมีฌานห่อเหินเดรัจฉาได้มีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจแต่อยู่นอกพุทศาสนาไม่อยู่ในพุทธศาสนาให้ทานกับคนเหล่านั้นจะได้ผลทานแสนโกร ใช่ไหมล่ะแสงโกรธหมายถึงว่าถ้าให้น้ํากวดหนึ่งแกนักบวชนอกศาสนาที่มีฌานสมาธิก็จะเกิดเป็นน้ํานี้หนึ่งแสนโกรธอันโกรธหนึ่งสิบล้านแสนโกรธอันกี่ล้านโหมากหมายแสนล้านใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะถ้าผิดก็เขาต้องของข อ, อละไร ล, ะละ้าน ล, ะละ้านเนอะพระเจ้าบอกว่าให้ทานแก่บุคคลผู้เป็นนักบวชนอกศาสนาได้ ผลทานแสนโปดอันเนี่ยให้อยู่ร้อยครั้งไม่เท่ากับให้บุคคลคุณนับถือพระราตรายหนึ่งครั้งไม่เท่านะ <c oughs> จะว่าอย่างไงที่นี่ <c oughs> เห็นไหมอา น, นิสงส์มันมากมาย <c oughs> หากหากแม่นับถือพระราตรายลูกซื้อของมาให้แม่หนึ่งได้ทําบุญกับแม่ในฐานะของพข้ารหัการใช่ไหมสองได้ทําบุญ <c oughs> ในฐานะของผู้มีพระราตรายด้วย สองเท่าอั น, นีสง์ให้ทานกับบุคคลผู้นับถือพระรัตนตรัยหนึ่งรยครั้งไม่เท่าให้กับพระโสดาบันหนึ่งครั้งก็ไล่ไปใช่ไหมล่ะพระโสดาบันก็น้อยกว่าสากทาคามีสกทาคามีก็น้อยกว่าอนาคามีอนาคามีก็ร้อยกว่าพระอรหรันต์ให้อรหันต์หนึ่งร้อครั้งก็ไม่เท่ากับให้พุทธเจ้า ครั้งหนึ่งให้พระเจ้าหนึ่งร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้สังฆทานหนึ่งครั้งให้สังฆทานหนึ่งครั้งก็ไม่เท่ากับให้มีหาระทานหนึ่งครั้งให้มีฮาลทานหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้อารามกับสาธารณะที่สาธารณะอย่างเงี้ยให้อารามกับสาธารณไม่เท่ากับให้ตัวเอง <arma> มาเป็นทาน เพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ทราบว่าการสร้างรูปเคารพไปสร้างใหญ่โตแค่ไหนก็ตามประโยชน์น้อยมากแต่คนไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ความสําคัญกับการสร้างรูปเคารพวัตถุ่นมากมายจริงจังกันจนเป็นประเด็นว่าเป็นสารแก่นสารของศาสนาที่แท้จริงเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าชาวพุทธจะต้องเคารพในคารวะหเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ เคารพในการศึกษาเราเรียนเคารพในความไม่ประมาทแล้วก็เคารพในการปฏิสันฐานสิ่งที่จะต้องแสดงความเคารพมีอยู่5ประการ6ประการนี้แสดงความเคารพแสดงออกถึงการที่เราจะต้องเคารพใช่ไหมแล้วเราไปเคารพรูปเคารพชื่อว่าเป็นความเคารพในฐานะของความเคารพในสีโพรงทรงตักว้หรือเปล่าไม่ได้อยู่หลักคำสอนไม่ได้กล่าวให้สอนเคารพอย่างนั้น หรือแม้แต่พ อ, องค์บอกว่าจะเคารพพระองค์ก็เคารพด้วยการประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงสอนถึงจะชื่อว่าเป็นการเคารพเนี่ยพระ อ, องค์ทรงตัดไว้อย่างนี้ใช่หละ่ะดอกไม้ผงหอมทูบเทียนสิ่งต่างๆที่จะเอามาสักการะตะถาคตจะยังบุญเกิดขึ้นแก่คนผู้เอามานั้นชั่วขณะที่ตถาคตยังทรงพะชนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อตถาคตละไปแล้วดอกไม้ของหอมทูบเทียนสิงสาระเหล่านั้นไม่ได้เกิดเป็นประโยชน์อะไรเลยผู <Okay. S 1> ้ที่อ่อนจะเป็นประโยชน์ต่อขณะที่โพรงยังทรงโชนอยู่เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนะแต่เมื่อราชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือ <c oughs> ธรรมะ <c oughs> การประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมนั่นเองหนึ่งให้ทานสองอันหนึ่งพารตนาไตา ให้ทานก่อน2รัตนาไตา่สแต่ในฐานะของเราชาวพุทธนะเราพูดในฐานะของผู้เป็นชาวพุทธแล้วนะรัะตนาไต่ต้องมั่นคง 2. ทานบนพื้นฐานพระรัตนาไตายนี้ต้องให้ทานถูกต้องทานที่เป็นให้ทานแล้วเป็นทานให้ทานแล้วเป็นบุญไม่ใช่ให้ทานโดยที่เอาของที่ไม่ควรค่าแก่การให้ทานไปให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานที่ได้บุญจริงๆส สมาทานศีลในการบางคราวหรือหากได้ทุกๆคราวก็จะดีอย่างยิ่ง 4. ฝึกทำใจให้ตั้งมัน่นไม่ให้โอนเอนไปตามอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ใดก็ตามกระทบฝึกให้มันตั้งอยู่กับที่คือตั้งอยู่ในกายเรียกว่าสติปัฏฐานตั้งอยู่ในกายตั้งอยู่ในเวทนาตั้งอยู่ในจิตตั้งอยู่ในธรรมีประการนี้ตั้งอยู่ในกายคือตั้งอยู่โดยการกาหนดรู้เห็นกายตามความเป็นจริง อย่าให้อารมณ์อื่นมาดึงความจริงที่เราตั้งอยู่เนี่ยให้ปลูแต่งใจเรานอกออกไปนอกจากความจริงให้ตั้งอยู่ในกายนี้ฝึกสมาธิโดยการให้จิตตั้งอยู่ในกายและเลึกอรู้อยู่ในกายอย่าให้อารมณ์ครอบงำสองดูเวทนาเมื่อตั้งอยู่ในกายแล้วจิตมันยังกระสับกระซายอยู่ให้ดูเวทนาอาการที่บีบคั้นใจ เมื่อเรานั่งอยู่ในเวลานี้กายนั่งอยู่ท่าไหนรับรู้ท่านั่งของกายเมื่อ น, นั่งอยู่เกิดเวทนาอะไรขึ้นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนมากจะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์หรือถ้ามันมีทุกข์บีบคัน้นเราก็ทราบอาการบีบคัน้นแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จิตใจกระสับกระสายไหมแล้วถ้าจิตกระสับกระสายกระสับกระสายอย่างไร1นึงฟุ้งซ่าน2เกิดอะไร เกิเศ้ามองเกิดราคภโทสะโมหะเกิดความเบิกบานหรือเกิดอะไรก็ก็สักแต่ว่านั่นคืออาการทางจิตให้ตั้งมั่นไว้ในจิตอย่างนั้นอ๋อกลายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้แล้วขณะที่จิตเป็นอย่างนี้สิ่งที่ประกอบกับจิตเป็นอะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือพยากตาธรรม3ประการนี้เกิดกุศลธรรมนิวรณ์ก็ไม่ครอบงาเกิดอกุศลธรรมนิวรณ์ก็ครอบงาเกิดอัพยากตธรรม อวิชชาครอบงํำทำที่เป็นกลางๆจริงๆทำที่เป็นกลางๆเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นกลางจริงๆอวิชชาจะครอบงาไม่ได้หากเป็นการตั้งโดยการมีสติรู้คือสติเราตั้งเป็นกลางไม่ไม่ให้เขาเรียกว่าละอกุศลเจริญกุศลด้วยจิตที่เป็นกลางในการกําหนดรู้กําหนดรู้ว่ากุศลที่เกิดขึ้นกําลังเกิดขึ้นในจิตอกุศลกําลังถูกละ จิตก็ที่เป็นกลางนี้ก็จะทำการกำหนดรู้อย่างนี้เมื่อจิตที่เป็นกลางกำหนดรู้อย่างนี้เอาพยากตะจิตก็จะทราบภาวะแห่งกายที่เป็นอยู่ขณะนี้ทราบภาวะแห่งเวทนาที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้เวทนาทางกายมีกี่ยันสาเวทนาทางใจมีกี่ยั ง, วาา ง, ยงรวมกันเป็น6เวทนาทั้ง6เราก็หลบรู้กายเป็นยังไงบ้างกระสับกระสายร้อนหนาวหรือว่า พอดีพอดีเราก็ทราบอาการแห่งเวทนาใจเป็นยังไงสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เอ๊มันก็ไม่ใช่ความสุขแบบสุขแบบอิ่มเอิบสุขแบบสุขสุอะไรประเภทเนี่ยเราจะมองยังไงถ้ามันเป็นจิตกลางกลาธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยผู้เจ้าบอกว่าถ้าจิตเป็นกลางกลางธรรมดาธรรมดาให้มองว่าเป็นสุขเวทนาทางใจนะเป็นโสมนะเป็นสุขเวทนา เอาทำไมต้องมองว่าเป็นสุขมันเป็นอทุคธมสุขะไม่ใช่เหรอไม่สุขไม่ทุกข์พระเจ้าบอกว่ า, ามันเป็นอทุคธมสุขะนั่นแหละแต่เพื่อจะเป็นการกําหนดรู้ในเวทนาให้ง่ายขึ้นพระองค์บอกว่าอทุคธมสุขะเวทนานี้ให้มองว่าเป็นสุขเพราะมันไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นอ๋อถ้าใจเป็นธรรมราพราานี้สุขแล้วเพราะมันไม่มีทุกข์เข้าใจไหมเออถือว่าเป็นสุขเนี้ย แต่ให้รู้ว่าสุขมาเพราะมาจากอาทุคำสุขบเวทนาสุขเนี่ย <Yeah. S 1> ก็รู้จิตตอนนี้ไม่กระสรับกระสายจิตตอนนี้ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไม่ได้คิดไปนั่นคิดไปนี่คิดแต่ตั้งใจที่จะฟังอ๋ออันนี้ก็คืออาการแหง่งจิตที่ตั้งมัน่นมันก็ไม่สับไม่กระสับกระสายไปตามอารมณ์เนี่ยฝึกสมาธิก็รู้สิ่งที่ประกอบจิตในเวลานี้ก็คือกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมย่อมเสือ่อมใช่ไหมล่ะ นิวรณ์หก็คลายไปใช่ไหมล่ะเอาพยายกระตาทำจิตก็ลงสู่ความเป็นกลางที่กําลังเห็นอกุศลกําลังตอบสอนองอยู่กับจิตในเวลานี้จิตกําลังรับสิ่งที่เป็นกุศลไว้ในจิตคือการฟังทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความรู้ทั้งกุศลธรรมอะไรบังเกิดขึ้นทำทั้งหลายก็เริ่มรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นหากมีการประกอบพร้อมอยู่อย่างนี้จะเกิดปัญญาที่นี่จะสมาธิเก้าไปสู่ปัญญาปัญญาเมื่อเห็นความเป็นจริงในกายว่าศักดแต่ว่ากาย จะเป็นกิริยาอาการใดๆก็ตามจะเกิดอาการหนาวร้อนเจ็บป่วยเจ็บปวดก็เป็นแค่กิริยาอาการทางกายที่ประกอบพร้อมไปด้วยเวทนาจิตเราไม่กระสับกระสายสิ่งที่ประกอบกับจิตอยู่ในเวลานี้เป็นกุศลก็จะเลริญขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะมีปัญญาเห็นการเกิดและการดับของสิ่งที่เกิดกับจิตและกระดับลงไปพร้อมกับจิตอะไรก็ตามที่เกิดกับจิต แล้วดับลงไปพร้อมกับจิตแล้วก็จะเห็นแล้วก็ทราบตามฟอร์มเป็นจริงว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับกายมีไว้เพียงแค่ให้ลึกลึกรู้ว่ากายเวทนามีเพียงแค่ให้เราลูกรู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมาสุขเวทนาให้ลึกรู้ว่าอ๋อนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์แต่ไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามอาการที่มันเป็ น, นจิตก็ให้รักรู้ว่าอ๋อาเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความคิดความคิดต้องอาศัยจิตเกิดขึ้นอารมณ์ต้องอาศัยจิตเกิดขึ้น อาการต่างๆในด้านนามธรรมต้องอาศัยจิตเกิดขึ้นเมื่อมันดับเมื่อจิตดับอารมณ์และอาการเหล่านั้นก็ดับทำที่ประกอบกับจิตเหมือนกันก็ต้องดับพร้อมทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ดับพร้อมก็เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาทราบการเกิ ด, ก า, ด, ก, า ก, ดการดับการเกิดการดับก็สามารถเข้าสู่วีมุติพ้นจากการยึดมั่นถือมัน่นทั้งกายและเวทนาจิตและธรรมเหล่านี้มีเป็นเพียงแค่สัตว์แต่ว่าให้รู้รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธรรมเท่านั้นเอง นี่คือกุศลธรรมอกุศลธรรมอพยากตาธรรมแค่นั้นไอ้หลุดเนี่ยไอ้หลุดออกไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมแล้วนะไม่ได้เป็นในกายไม่ได้เป็นในเวทนาไม่ได้เป็นในจิตแล้วก็ไม่ได้เป็นในธรรมไม่ได้เป็นทั้งกุศลและอกุศลและอพยากตะไม่ได้เป็นในสิ่งเหล่านั้นเพื่อหลุดออกไปแล้วพ้นแล้วถ้ายังเป็นเป็นอยู่ใครๆกับว่าเออเราเราอะไร บ si ุญเป็นของเราเราเราเรามีบุญบุญบุญอยู่ในเราเราเรากับบุญมันเกิดขึ้นอะไรโอเเนี we text, we ้ยอ <pe> ันนี้ยังไม่พ้นพ้นคือพ้นออกไปนะพ้นออกไปจากแม้แต่กุศลธรรมอกุศลธรรมพยาการธรรมพ้นออกไปตัวนะเมื่อพ้นแล้วปุ๊บบิมุติยานัสสนะรู้ว่าหลุดพ้นรู้เห็นว่าจิตหลุดพ้นมีการอาการแห่งความหลุดพ้นออกไปอยู่บิมุติยานัศนะ เมื่อรู้และเห็นว่าบุดพ้นแล้วก็เป็นอะไรนิพพานเนี่ยลำดับมาอย่างเนี้ยหลักการปฏิบัติแล้วไหนหว่าต้องไปเส้นสวงสั ก, ากลากาบไหวบูชาสวดสารเสริญหลักปฏิบัติอันนี้มาจากไหนหลักปฏิบัติที่ว่าจะต้องไปติดทองคำเปลว หลักปฏิบัติที่ว่าจะต้องไปสวดสมโพธหลักปฏิบัติที่ว่าจะต้องไปบวงสวงหลักปฏิบัติที่จะต้องไปไปอะไรเสริมดวงเสริมบารมีเสริมอะไรของตัวเองมันมาจากไหนมาจากผู้ที่เจ้าหรือเปล่าผู้ทีเจ้าบอกให้มีแต่ให้พ้นออกไปจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมพ้นแม้กระทั่งบุญที่ทำใช่ไหมให จิตพ้นออกจากแมฆแต่กระทั่งบุญที่ทําแต่ไม่ใช่หยุดทําบุญก็ใจไหมนี่มันมันเป็นความฉลาดไม่ใช่พ้นแล้วไม่ทําบุญไม่ใช่พ้นหมายถึงว่าไม่ต้องไปรับผิดชอบเมฆแต่ในบุญที่ทําทําแล้วแล้วเลยอย่าไปรับผิดชอบกับบุญที่ที่ทําแล้วเอาพ้นแล้วทําไมจะต้องมาทําบุญอีกถ้าทําบุญอีกจะชื่อว่าพ้นอยู่หรือก็บุญมันเป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ควรจเจริญขึ้นใช่ไหมสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์ควรละใช่ไหมน่ะมันเป็นปัญญาใช่ไหมล่ะมันเป็นปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับว่าพ้นแล้วทําไมจะต้องมาทําบุญหรือไม่ทําบุญไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับปัญญามันจะรู้อะอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษประโยชน์ควรทําโทษควรละแค่นี้นี่คือลักษณะของผู้ศาสนาแต่ลักษณะของพุทธศาสนาที่เป็นแบบนี้ มันไม่ได้อยู่ในร่องรอยแบบนี้ทีนี้มันไปอยู่ในร่องรอยอื่นหมดแล้วพ่อคนรุ่นใหม่เติบโตมาเห็นอะไรเห็นการสร้างลูกเคารพเห็นการเส้นสวงสักาการะไหว้บูชาเห็นการทาพิธีกรรมเห็นการสวดสรรเสริญเห็นการติดทองคําเปเรียวเห็นการจุดธูปเบียนเทียนเขาก็เห็นร่องรอยพุทธศาสนาในอย่างนั้น ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะสร้างสร้างอะไรสร้างกรอบแห่งพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ให้กับชนรุ่นหลังประพฤติตามด้วยความงมงายพอบอกว่างมงายเขาก็ว่าเขาไมา่ได้ ง, งมงายเขามีเหตุผลเขามีเขาเรียกว่าอะไรมันมีคำพูดหนักๆอยู่นะ ในในการที่เขารักษาความงุ่มงายในตัวของเขาไว้เขาบอกใช้เป็นเครื่องสื่อถึงค่อยก้าวไปทีละขั้นแต่อมาเห็นมาเกิดมานี่ก็สี่สิกว่าปีก็ยังเห็นไม่เห็นก้าวไปจากที่ไหนเลยเนยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ยังอยู่ที่เดิมบันไดขั้นเดิมยังไม่เห็นก้าวเข้ามาขั้นสองขั้นสามขั้นไหนเลยพอได้ยินคําว่าสมโพธไปที่ไหนก็ป้ายกันอยู่ยเหมือนเดิมอยู่นี่มันก้าวไปไหนล่ะ ก็ยังเห็นเหมือนเดิมเขาบอกมันจะค่อยๆก้าว่วาอ้เลยเกิดจะก้าวไปชาตหน้าหรือยังจะก้าวได้เขบต้องรอภา ษ, ษีอานล ห, หรือยังไงบางคนก็บอกโอ้ท่านเกิดมาคือมีคําพูดแรงๆพูดท่านก็เกิดมาอยู่ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้อย่าลืมกําพืชตัวเองสิเพราะว่าต้องรักษาขนบงเรรเนียมอย่างนี้ไว้เพราะว่าอย่างนี้ลืมกําพืชตัวเองลืมสิ่งที่ตัวเองเติบโตมา ถามวาพระพุทธเจ้าเติบโตมาในถ้ำกลางขนบธรรมเนียมของพราหมณ์ใช่ไหมแล้วพระองค์ทํายังไงหักล้างกับพราหมณ์ทุกๆเรื่องใช่ไหมหักล้างกับพราหมณ์ทุกๆเรื่องพราหมณ์เขาอาบน้ํำล้างบาปพระเจ้าอาบน้ําล้างบาปไหมพราหมณ์เขาอาบน้ําเสร็จเขาจะลอยผ้าบริขารของเขาเนี่ยไป ไปในแม่น้ําใช่ไหมล่ะเพราะเขาถือว่าเป็นผ้าซับมนทินแล้วลอยทิ้งไปเลยอย่าเอามาใช้อีกแต่ผู้ใหญ่ให้พระภิกษุไปเก็บผ้ามาใช้ใช่ไหมพวกองไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งอามาใช้กูจะใช้ใชาา่ยังบาปมันไม่อยู่ที่ผ้าใช่ไหมล่ะบาปมันอยู่ในจิตน่ะมึงจะอาบน้ําอยู่ร้อยปีแต่จิตมึงไม่เคยเละบาปเลยนะาพามพวกนี้เห็นไหม <c oughs> เพื่อเจ้าหากล้างกับพราม์ไปทุกๆเรื่องพราม์ก็จะเส้นสวงเส้นไหวพระพรมเจ้าบอกเราทําตัวเป็นพรมเลยเมตตากรุณามุญทิตาอุเบกขาใช่ไหมล่ะก็พรมมันไปอย่างนี้ผู้เป็นพรมก็ต้องมีเมตตากรุณามุญทิตาอุเบกขาถ้าพรมไม่มีเมตตาควรจะเป็นพรมไหมเนี่ยไม่ควรเป็นใช่ไหมหามนุษย์เราสามารถประพฤติทำสี่ประการนี้ได้ มีเมตตามีกรุณามีมุติตาอุเบกขาในสี่ประการผู้นั้นควรจะเป็นพรหมไหมเป็นในชาตินี้เลยใช่ไหมพรามควรจะมาบูชาเราใช่ไหมถ้าเขาบูชาพระพมจริงถูกต้องไหมเนี่ยแต่ทุกวันนี้พิธีพูดเอามาเป็นพราหมณพุทธเจ้าทิ้งกำพืบตัวเองไหมหรือเปล่าเกิดในธรรมเนียมพรามณ์ไว่ายไง เอ้วันนี้แปลกๆมีเหตุให้มันไป้พูดเรื่องนี้ทําไมวะเอ้ผู้ดีเจ้าเอ๊ผู้ดีเจ้าทําไมหักล่างพารามไปเสียทุกเรื่องพาราม์ก็ถือว่าการเอาอาหารจากคนที่ไม่ใช่พาราม์มากินมีมนทินใช่ไหมเป็นบาปเป็นโทษจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยเป็นเป็นของเสนียดผู้เจ้าบอกว่าไง ขอข้าวชา ว, าวพานกินได้ทุกหลังเนี่ยตรงข้ามกับพามจะทุกเรื่องเลยแต่ทุกวันนี้เอาพามเข้ามาแท้ทุกทุกวันเนี่ยในพุทธจะไปบวชทีก็บวชทีพามเอาบวชพุทธไม่มีเหรอทําไมต้องบวชพามอะเอาบวชบวชพุทธไม่ได้เหรอทำไมต้องบวบบ ว, บ ว, ททบ ว, บวชทีพาม ก็ทำไมมันต้องใช้คำนี้อาตมาก็อย่าถามคนที่ใช้คำนี้อเหมือนกันทำไมต้องใช้คำนี้คนที่ทำมาก่อนหน้าอาตมาจะเกิดเนี่ยเคยคิดบ้างหรือเปล่าทำไมจะต้องทำสิ่งเหล่า น, นี้ขึ้นมาทำให้อาตมาสงสัยต้องถามเนี่ยถามว่าเป็นนี้นี่เนี่ยไม่รู้ใครถ้ามีความรู้ก็ตอบข้อมาในนี้บ้างอาตมาไม่ค่อยมีความรู้อาตมาจะได้เข้าใจ ม, มันทําให้เกิดการตั้งคําถามในเห ล, หลายอย่างในสังคมแล้วคนก็ทำตามตามกันไปการทำตามตามๆตามกันไปนี่เหมือนกับมดเดินตามก้นกันไม่รู้ไอตัวหน้าพาตัวไหนกูจะเดินตามกันไปอย่างเงี้ยไอตัวหน้าเดินก็เดินไต่หลังกันไปตามกันไปเดินไปตรงที่ทางคนเดินเขาก็เหยียบเละตุ้มเป๊ะแบน แ, แต๊ะแต๊ตายกันเป็นเบื่ออีกเพราเดินตามกันไปใช่ไหมล่ะไม่รู้ข้างหน้าจะเจออะไร ในนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงทราบทรงเข้าใจเหตุปัจจัยทุกอย่างมีอนณาคตังสยานด้วยสัพพันยุตตญาณในการรู้ในภายภาคหน้าเดินตามพระพุทธเจ้านะ่ะปลอดภัยที่สุดทีนี้เรามาเดินตามอะไรทั้งวะนี้ฮะเราเดินตามอะไรเดินตามประเพณีขนบธรรมเนียมบางคนเข้ามาถ้าท่านเพศอย่างนี้พูดอย่างนี้ ก็เท่ากับดูถูกบรรพบุรุษพระพุทธเจ้าดูถูกบรรพบุรุษไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ดูถูกบรรพบุรุษอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าอาตมาดูถูกบรรพบุรุษบรรพบุพบรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายาพาทำมาอาตมาก็ไม่ได้ดูถูกเขาทํามาถูกต้องแต่เราตีปัญหาแห่งการทา ไ, ไม่ออกเขาทําเพื่อเป็นอุบายให้เรานํามาขบคิดเพื่อเข้ามาสู่หลักธรรมแต่เรายึดอุบายมาทั้งอันแล้ว ไม่ตีให้มันแตกเหมือนกับปอกมะพร้าวเอาปากกัดโยนลูกมะพร้าวให้ก็เอาปากงับทันทีแล้วจะกินมันกินได้ไหมละ่ะเคียวมะพร้าวทั้งลูกอ่ะโดยไม่แกะเปลือกแกะเปลือกยังเจอกะลาอีกใช่ไหมกินกะลาได้ไหมละ่ะไม่ได้ต้องเฉชะ อ, อก อ, อกรสิ่งที่เขาทํามาแต่ครั้งพุทธกาลเออแต่ครั้งโบราณเขาทําเพื่อเป็นอุบายสืบทอดสอนเราเขาไม่ได้อยู่ใน ช่วงเวลาของการพูดศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นช่วงเวลาของสงครามบ้างอดอยากบ้างต้องสแสวงหาทำมาหากินเลี้ยงดูยุคสมัยนั้นเป็นยุคอดอยากยุคแแลนแค้นใช่ไหมโอ้ยุค ก, ก่อนนี้แแลนแค้นมากแล้วก็เป็นยุคภัยสงครามต่างๆนานาไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาเราเรียนพระธรรมยุคเราเป็นยุคที่ไม่ได้มีศึกสงครามไม่ได้แแลนแค้นอยู่ที่ไหนก็เจอในอาหารการกินเดินออกไปถนนก็ร้านค้าก็เต็มไปหมดแล้วไง แรงแกนแต่ก่อนนี้ต้องไปหากินกันในป่านในเขากว่าจะสืบทอดบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์มาได้แล้วเขาทิ้งรูปแบบประเพณีพิธีกรรมเพื่อให้คนยุคหลังมาขบคิดและตีอุบายในสิ่งที่เขาให้นั่นที่คนบรรพบุรุษนัให้มานเพื่อให้เรานำมาขบคิดแล้วเอามาตีปัญหาให้มันแตกเช่นขันห่า เขาจัดขันห้าไว้เพื่อให้รู้จักขันห้าภายในตัวเราไม่ใช่เรายึดเอาขันห้าตามแบบวิธีเป็นจัดขันดอกไม้ขึ้นทิ้งบูชาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเขาทําอุบายเพื่อให้รู้ขันห้าในตัวเราเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าขันห้านะเพื่อให้รู้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันละวิญญาณขันในตัวเองนี่คือขันห้าต้องมาตีอุบายที่เขาให้ที่บราพบอบุตให้มาแต่คำพูธการให้ออกอย่างนี้ ยกขันห้าบูชาพระพุทธเจ้าก็คือยกร่างกายเราลูกประคันเวญนาสัญญาสังขัญวิญญาณเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเพื่อบูชาพระพุทธองค์ในความหมายเป็นอย่างนี้ที่เขาจุดธูปจุดเทียนเวียนรอบกันสามรอบอ่ะเพื่อให้ทราบว่าการเดินวนเวียนอยู่ในสามภพนั่นอ่ะมันเป็นพุกเราจะมัวเดินเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นพุกการเกิดการตายการเกิดการตาย ก, าเก็กยเวียนตัวอย่างนี้แหละการมาพบรูพบอรูพบไม่ควรที่จะเดินวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ในความหมายที่เขา สอนออกมาไม่ใช่ว่าเดินเวียนเทียนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยคาว่าบูชาหมายถึงว่าเราต้องทําลายวงจรแห่งการวนเวียนนี้ให้ได้เข้าใจไหมการสวดคือการการสวดคือการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่คนให้เข้าใจแต่การสวดนั้น ครั้งก่อนๆหน้าโน้ตนอ่ะครั้งๆโบราณเขาจะเขาไม่สามารถที่จะรักษาคําสอนไว้ในรูปแบบของภาษาไทยได้เขาจึงรักษาไว้ในรูปแบบของภาษาบาลีโดยการท่องจําและนํามาบอกคือสวดกล่าวเพื่อไม่ให้หลักธรรมนี้ขาดเพื่อนเพราะถ้าพูดด้วยภาษาอื่นมันจะขาดเพื่อนพราะพูดด้วยบาลีมันจะไม่ขาดเพื่อนเราไม่รู้จักเอาคําบาลีที่สวด การสืบสืบกันมาเนี่ยมาตีความหมายเป็นคําสอนแล้วเราเอามาทําความเข้าใจและประพฤติตามหลักคำสอนที่สวดนั้นแล้วเข้าไปถึงผลแห่งการบรรลุในสิ่งที่สวดเพราะคําสวดที่ที่พักนอมสวดเป็นคําสอนที่โงครมสั่งสอนมาแต่ครั้งพุทธกาลเราก็นํามาตีความหมายตีขบคิดให้มันแตกแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของตัวเองมันก็จะเข้าถึงทางความแห่งความผลทุกได้ตรงนี้ต่างหากที่บรรเทบรรลุเขาพยายามวางอุบาย เพื่อให้เรานำมาคบคิดและตีปัญหาทําความเข้าใจและสืบต่อทางด้านหลักคาสอนให้ตรงในทางผู้ศาสนาขั้งพุทธการเขาทากันอย่างนี้ขั้งพุทธการเขาก็ทํากันอย่างนี้แต่พาม์มาถือผิดพามมาถือผิดในภายหลังจึงมีพิธีพรมขึ้นขั้งพุทธการรู้ไหมว่าก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นเนี่ยขั้งพุทธการเขาประพฤติทากันยังไงก่อนที่จะมีพระเจ้าก่อนที่จะมีพวกพามเนี่ยเขาประพฤติทากันยังไงรู้ไหม ไม่มีพุทธเจ้าสอนเขาก็พูดทํากันอยู่นะรู้ไหมธรรมที่เขาประพฤติเป็นธรรมประจําโลกเลยแหละเขาประพฤติทำอะไรกันรู้ไหมนะไม่รู้ธรรมที่เขาเป็นธรรมประจําโลกนะเป็นประจําประจําโลกคือตั้งแต่เริ่มมีโลกนี้ขึ้นมาเลยคือ การเขาเรียกว่าแสดงความเคารพในบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้สูงไปทําเนี่ยก่อนที่จะมีพูทธเจ้าอุบัติขึ้นเขาจะพืชทําเนี่ยอยู่ตลอดประพฤืชทำโดยการเคารพบิดามารดาเคารพปู่ย่าตายายเคารพบรรพบุรุษอะไรนะพูดง่ายชาวจีนก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษอันอันไหว้บรรพบุรุษก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ในความหมายเคารพหมายถึงว่า ไม่ประพฤติลังเกียจต่อผู้ใหญ่แสดงความอ่อนน้อมต่อบิดามารดาผู้สูงใบประพฤติตอนอยู่ในโอวาทของบิดามารดาอันนี้เป็นเป็นธรรมที่ประจำโลกไม่มีพู้ทีเจ้าเขาก็ประพฤติกันอย่างนี้อยู่แล้วพอมีผู้ทีเจ้าขึ้นมาพค์จึงบอกมาบอกมาสอนอย่างนี้ให้คนได้เข้าใจพุที่เจ้าบอกว่ามนุษย์โลกตั้งแต่อายุ500ปีลงมาตั้งแต่500ปี จะไม่ประพฤติธรำนี้คือจะไม่เคารพบิดามารดาจะไม่เคารพญาติผู้ใหญ่จะไม่ประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อมจะแสดงอาการแห่งการก้าวเ้าต่อผู้ใหญ่อย่างนี้ด้วยการที่มนุษย์ประพฤติอย่างนี้นี่เองที่ไม่เป็นไปตามธรรมของของโลกที่มีมาแต่ครั้งในไห น, ไหนก่อนที่จะมีพทธโต้งเองเนี่ยโป้บอกว่าเมื่อมนุษย์ไม่ประพฤติตั้งแต่อายุ500ลงมาเขาจะอายุสั้นลงเรื่อยๆ400 300 200100 และแต่จะสั้นลงอีกหากไมประพฤติในกูโซลธรรมอันนี้ในธรรมที่เป็นประจําโลกเนี่ยการประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อมผ่อมตนอภิบาตนะสีลิสนิจจังวุท ธ, ธาปจายิโน่เนี่ยบทบทเนี่ยเป็นบทที่พระองค์ทรงกล่าวสอนเพราะเป็นธรรมที่พระองค์ไม่ละเลยไม่ว่าพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามจะไม่ละเลยบทธรรมนี้เพราะเป็นธรรมที่ประจําโลกพ อ, พอพระองค์บอกว่าแม้ครั้งพุทธกาลก่อนที่เราจะมาตัสรู้เราเกิดอยู่ใน ในพบนพไหนภูมิไหนเราก็ตั้งอยู่ในธรรมเหล่านี้เราเป็นผู้ประพฤติธรรมเหล่านี้มาก่อนพงจึงไม่ทิ้งธรรมนี้แม้มาตัดสรุปเป็นพุทเจ้าก็ไม่ทิ้งธรรมนี้เป็นประพฤติเป็นผู้อ่อน น, อน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพิดามารดาบงคลก็บอกมีเรื่องที่จะต้องให้เถียงพ่อเถียงแม่ทําไงมันจะบาปไหมเอ๊ะมันเราพูดกันดีๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องเถียงก็ได้ใช่ไหมล่ะ บางอย่างที่ต้องอธิบายด้วยเหตุผลแล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลไม่จำเป็นต้องเถียงการเถียงนี่เหมือนกับว่าจะเอาชนะหรือใช้อารมณ์แสดงอาการกิริยาไม่ดี ก, ก, ก็ควรลสงบระ ง, งับเรื่องนั้นพอบางคนมันมีเหตุผลที่จะเถียงพ่อเถียงแม่อยู่อะไรก็ตามที่จะขึ้นถึงขั้นเสียงที่จะต้องเถียงกันนี่ผู้เย้าบอกว่าอย่าเถียงเด็ดขาดแต่การพูดในเชิงอธิบายด้วยเหตุผลเนี่ยอธิบายได้พูดคุยกันได้แต่อย่าถึงขั้นเถียงดิาดามารดาพอถ้าพูดคุยกันได้เนี่ย มันจะไม่ถึงขั้นทําให้เกิดความเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเถียงกันปุ๊บจะทําให้เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเพราะลูกบางคนก็ทําใจลําบากกับแม่บางคนที่บางทีก็ไม่มีเหตุผลเขา้าไปนี่นะแต่ยังไงก็ตามเราต้องแสดงความเคารพแม้บิดามารดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนไม่มีเหตุผลก็ไม่ควรที่จะแสดงกิริยาเห็นการเก่าล้าหรือไม่เคารพนบนอ้อมทุกครั้ง ที่จะประพฤติทมในบิดามารดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรจะแสดงความเคารพนอบน้อมก่อนแล้วค่อยพูดคุยด้วยเหตุและผลที่ดีอย่าให้ถึงขั้น <c oughs> ต้องผกเถียงกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพเจ้าว่าอายุมนุษย์จะลดลงลดลงลดลงลดลงเกณฑ์เฉลี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่เจ็ดปีมั้งครับเจ7ดสบถึงห้าปีแต่คนที่อยู่ยถึง80ดสิปีก็ยังมีถึงอยู่ถึงรอปีมีไหม ก็มีก็เป็นคนรุ่นนู้นแหละรุ่นเก่ารุ่นสามแผ่นดินสี่แผ่นดินนุ่นเขาว่าร้อยปีเนาะรุ่นสี่แผ่นดินอันนั้นก็ยังพอมีแต่ก็รุ่นโอรุ่นนู้นเขาประพฤติทำกันดีเขายังถือความเคารพอันนั้นดีเขเลยจึงอายุยืนแต่รุ่นหลังมาเนี่ยไม่ค่อยประพฤติทำกันนะนั่นแหละประพฤติทำในการเคารพด้านเคารพอภิวาทนาศีลชนิดจังเลยไม่มีเลยไม่เจริญด้วยอายุไงหรือเคารพผิด เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพผีเคารพเทวดาเคารพสักะระต่างๆนาน า, นาไม่กลาไหวพ่อแม่บิดามารดาของตัวเองไปกล่าวไหวอะไรไม่รู้ที่อื่นต้นหมากต้นไม้ไปกล่าวไหวไ้ขูดอ่าไหวสัตย์ิการไปกลาวหไหวมันเลยไม่จเจริญไง ไม่จะเลด้วยอายุหวังจะให้อายุยืนไม่มีทางเหตุแห่งความอายุยืนก็คือประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อมเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่มีโรค ก, ก็คืองดเว้นจากการฆ่าเหตุแห่งความดำรงอยู่โดยรั์ที่ไม่ขาดแคลนเลยคือไม่รักรั์เหตุแห่งการดำรงอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขก็คือไมู่้พื้นในกาเหตุแห่งการดำรงอยู่ด้วยการที่ พูดแล้วมีคนเชื่อหรือมีการนับถือก็คือต้องพูดความจริงเป็นจากการพูดสาว่าเหตุแห่งการมีสติปัญญาที่ดีก็คือการไม่ดื่มสุราเมรัยมีสติปัญญาที่ดีมีความเฉลียวฉลาดอย่างเงี้ยสมองไม่ฟืน่นเฟือนก็ไม่เสพของมึนเมาทุกวันนี้ความมึนเมานี่กระจายไปอยู่สู่เยาวชนใช่ไหมนะพวกยาบ้าทั้งหลายเนี่ย เซฟกันเป็นตั้งแต่เด็กๆนู่นน่ะเรียกว่าเป็นที่รู้กันในหมู่ของพเยาวชนรุ่นหลังจับกันก็จ้ามึนเมาสติปัญญามึนเมาเมื่อสติปัญญามึนเมาสติปัญญาฟั่นเฟือนจะสามชนรุ่นหลังจะสามารถคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ไหมไม่ได้มันก็คิดแต่เรื่องอันที่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละ ไม่มีสาระอะไรหนึ่งพะสมองถ้าสมองไม่ดีแล้วมันก็ก็คือไม่ดีมันเสพติดแล้วตรงนี้เลยองที่พระพุทธเจ้าสงสอนไว้เพื่อให้ทราบว่าสี่ห้าแต่ละ ม, มีโทษอย่างไรหากเราต่อพืชในความผิดนั้นเราก็ต้องยอมรับโทษใงอนั้นที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากการที่เราละเมิดมาอัตมานี่อาพาธก็อ่ามาเยอะ ป่วยรู้ข่าอะไรมาบ้างในครั้งพุทธในครั้งอดีตชาติปัจจุบันไม่ได้ค่าเท่าไหร่นะปัจจุบันไม่ไม่นิดห น, น, น่อยนิดนิดนหน่อยไม่ได้มากอะไระการค่านะในปัจจุบันแต่อดีตชาติทั้มากก็เลยเจ็บป่วยไม่รุนมาจากไหนแต่การประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อมจึงรักษาไว้อยู่ ปกติน่าจะตายไปนานแล้วแต่ก็ไม่ตายแต่การที่เรามีนิสัยการเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เลยได้รักษาอายุเลยนานแ ต, แต่แต่มีอายุมาเรื่อยๆโดยอาศัยการประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อมเนี่ยปกติมันควรจะตายไปนั้น ถ, ถ้าโรคภัยเบียดเบียนนี่นะนปีไหนที่อยู่ดยเบียงเกียงอันนั้นนะคือสิเอเท่า น, นั้นเอง ที่จะรอดนะพอรู้แลลมก็อ่อนอะไรก็อ่อนลมแต่ก็ผ่านมาได้แต่ผ่านมาก็ยังป่วยมาคือผลวิบากก็คือผลวิบากที่จะต้องให้ผลจนกว่ามันจะหมดแต่ไม่รู้จะหมดตอนไหนแต่การประพฤติ ท, ทำในความเป็นผู้อ่อนน้อมก็ยังรักษาล่างกายไ้อยู่ยังให้มีอายุไปอยู่แต่ไปแบบอย่างเงี้ยป่วยๆอย่างนี้แหละก็เป็นเรื่องของวิบากกรรม เมื่อเป็นเรื่องของวิบากกรรม ก, ก็ต้องยอมรับกรรมในการการทำเอาตัวเองชาติก่อนมนข้ามาเยอะไปเห็นมาอดีตชาติของตัวเองก็เลยยอมรับไม่ฝืนกับธรรมชาติที่เป็นจริ ง, งก็อยู่ได้ก็ไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยเพราะทราบเหตุปัจจัยของมันอย่างท่องแท้ สิบโมงกว่าแล้วมั้เนาะขอแล้วมั้งขอเนี่ยใครจะมีอะไรจะถามไหยไม่ไม่มีอะไรจะถามที่พูดวันนี้ก็เพื่อที่จะแสดงทัศนคทางพุทธศาสนาให้อ่าให้ได้เข้าใจกันให้ได้สร้างให้ให้มันชัดเจนว่าความชัดเจนของพุทธศาสนาหยุดจุดไหนอย่ามาทํากันมั่วๆทากันแบบกึ่งกึกลางกกึ่งกึงผูกกึ่งผิด ก็ธรรมารก็ต้องมีถูกมีผิดปะโคนกันมานั่นแหละแต่ก็แสดงความชัดเจนทัศนคติทางุาสนาให้มันแจ่มแจ้งแจ่มชัดขึ้นมาเพื่อให้คนยุคหลังได้ได้เข้าใจบ้างเท่าที่จะสามารถเรียนรู้เรียนถือตามได้แต่ถ้าไม่สามารถเรียนรู้หรือถือตามได้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นเฉพาะคนเอาเฉพาะผู้ที่ถือตามได้เท่านั้นคำถามเหรอ ไม่เครื่องม่เล็กยังถามว่าพระโพธิสัตว์ตายแล้วเป็นเป็นอะไรพระโพธิสัตว์ตายแล้วเป็นพระธาตุไหมครับคำว่าพระธาตุน่าจะเป็นความเข้าใจว่ากระดูก เป็นพระธาตุหรือเปล่าพระธาตุที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นพระธาตุแบบที่ปรากฏกันอยู่ทุกวันนี้นะกระดูแปลเป็นสภาพเป็นพระธาตุอะไรประเภทนี้นะในนี้ถามมาว่าพระโพธิษัตว์ตายแล้วเป็นพระธาตุอะไรครับอตบาตมาจะจะพูดถึงความแปลแปพระธาตุนะคําว่าธาตุเนี่ยแม้ไม่ใช่บุคคลแม่ไม่ใช่โพธิสัตว์ธาตุมันมีความแปรของมันอยู่แล้วเข้าใจไหม แร the well the ่ธาตุในดินเราเนี่ยแต่ก hmm. ่อนมันก็เป็นดินมาแต่ร่างเดิมแล้วมันแปลเป็นธาดุทองได้ยังไงมันแปลเป็นเพชรได้ยังไงมันแปลเป็นพลอยได้ยังไงมันเปลี่ยนไปเป็นได้ยังไงแปลคือมันเปลี่ยนนั่นเองจากดินธรรมดาทําไมมันเปลี่ยนเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองได้คือโดยธรรมชาติดินมันก็แปลเข้ามันอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าบุคคลจะเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับบุคคลแต่โดยธาตุธาตุเพรามันอ่ะไม่การแปลแปลเปลี่ยนเพรมันโดยปกติอยู่แล้วแหละไม่ถือว่าเป็นเรื่อง ผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นตื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ที่นี้พูดในชั้นของบุคคลว่ากระดูกขอ้อมูลทำไมสามารถแปลเปลี่ยนเป็นข้าได้อย่างเงี้ยอาการแห่งความแปลเปลี่ยนก็มาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นเริ่มมาจากการมีศีลสมาธิและปัญญาในตัวของบุคคลนั้นการที่บุคคลนั้นมีศีลสมาธิและปัญญาหรืออํานาจทางจิต ด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่มากตั้งแต่ชาญชาระดับบุตรชนก็สามารถทําให้พระาธาตุนี้เปลี่ยนได้กระดูกกายเปลี่ยนพระาธาตุได้บุตรชนนะที่มีชาญ น, นี่นะลือศีที่มีชาญบุคคลนอกศาสนาที่มีชาญเคยเห็นไหมที่เขาเอากระดูกของของพ่อบาทหลวงบาทหลวงหรือสันตป์ปลาปาหรืออะไระที่ตายแล้วนะกระดูกไปเป็นพระาธาตุนะ แม้แต่คนนอกพุทธศาสนาเขาก็ดูเขายัางแปลเป็นพระธาตุเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่บุคคลผู้มีฌานหรือจิตที่ดีเอาพวกนะี้จิตที่เป็นกุศลตั้งมั่นอยู่ยาวนานส่วนมากก็โพธิสัตว์นั่นแหละหรือไม่ใช่โพธิสัตว์เองก็ตามขอให้มีฌานสมาธิตั้งมั่นอยู่ยืดยาวนานหรือตายด้วยอำนาจแห่งฌานหรือตายด้วยกุศลระคาแห่งความดทีที่ทรงอยู่ภายในใกายเป็นพระธาตุบทจนถึงพระอาหารหันต์บุุรชน ที่ทรงไว้ซึ่งบุตรลธรรมภายในตนเองเนี่ยจนถึงพระละหันเป็นพระาธาตหมดถามว่าวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมีไหมครับสาธุวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมีแต่ไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดหรือกรรมที่เบาสามารถแก้ให้คลายไปได้ก็ได้โดยการ เรียกว่าทําเป็นอาโหสิกรรมคือให้เลิกแล้วต่อกันกรรมที่เคยฆ่ากันมาแต่ปางก่อนเช่นเรื่องของนางยักขีนีเขาก็มาขอขามากันก็เลิกแล้วต่อกันกรรมนี้ก็เป็นอันุติเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดบอกว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนหากยังจองเวนกันอยู่กรรมนั้นจะตั้งอยู่เป็นชั่วกับชั่วกันหมายถึงว่าจะต้องฆ่ากันกลับไปกลับมาคนนี้ฆ่าคนนี้พอคนนี้ฆ่าคนนี้คนนี้ด้วยกรรมนั้นคนนี้จะต้องมาฆ่าคนนี้ต่อ ฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่ชั่วกับถึงจะหมดหมดเองแต่ถ้ามาตกลงกันแล้วระงับเวรตตอกันขออภัยกันขอขอมากันมันหมดในชาตินี้ได้แก้ได้โดยการขอขอมากันอย่างนี้กับบันเทากรรมหมายถึงว่ากรรมแต่อดีตการซึ่งคู่กรณีก็ไม่อยู่แล้วขอยังไม่แต่เป็นพลังกรรมที่สืบเนื่องมาหาเรา เป็นพลังแห่งวิบากที่ส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับโทษต่างๆนาน า, นานมากมายแก้ได้ไหมแก้ได้แบบผู้เราเพราะไม่มีตัวเป็นผู้กระทําคือไม่มีผู้เป็นนายเบนให้แก้โดยการผู้เล่านี้แก้อย่างไรง ล, ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ล ะ, ละลึกถึงพระรันาตนตยอยู่เสมอว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมนาโธที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ธมโมเมนาโถที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอื่นประเสริฐของข้าพเจ้านักทีเมสาลังอัญยังที่พึ่งอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอนประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกบทนี้อยู่เป็นประจำอยู่ในจิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอืนประเสริฐของข้าพเจ้าตั้งจิตระลึกอยู่อย่างเงี้ยในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันจะสามารถลดทอนวิบากกรรมได้คือแก้โดยการลดทอน น่าจะเสร็จแล้วพระโสดาบันต้องรักษาศีลได้ครับพระโสดาบันต้องรักษาศีล8ศีลหไม่ต้องรักษาเพราะศีลหเป็นอัตโนมัติภายในตนเองแล้วเพราะคําว่ารักษานั้นคือต้องมีเจตนารักษาเข้าใจไห ม, มแต่ด้วยความที่พระโสดาบันนั้นมีศีลหโดยอัธยาศัยไม่ต้องเจตนาก็เป็นอันรักษาอยู่ภายในตัวเองแล้วจึงไม่ต้องรักษาเข้าใจไหม แต่ต้องรักษาศีลปเพราะศีลแปดต้องอาศัยเจตนาเพราะนั้นเราจึงจะเห็นภาพในครั้งพุทธกาลที่นาวิสาขาหรืออนาถาบิดากรเศรษฐีสมาทานศีลแปดทุกๆุกวันอุโบสถเขาจะไม่สมาทานศีลห้านะแต่จะสมาธานศีลป<อ>เอาในศีลแปดก็มีหอยู่ในนั้นไม่ใช่เหรอ5แต่ข้อที่สมเป็นข้ออะไรอัป<อ>รรมมจลิยาไม่ประพฤติผิดในปรรมจรย์ใช่ห มันมันไม่ใช่ห้าโดยสามัญแต่มันเป็นห้าพิเศษคือเป็นองแปดห้าโดยองแปดนะไม่ใช่การเมสวรมิชาจาย์แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าพระสตดาบันจะไม่ผิดในการมเขาจึงสมมาทานอร拉มจาริยาไม่ประพฤติผิดออในส่วนนี้เป็นพรหมจรัรทร์ออออสาธุครับ ชัดเจนในคำตอบอ่าชัดเจนแล้วนะอ่าหมดแล้วคำถามสาธุดีแท้ครับอ๋อก็ดีก็ข อ, อนุมโมทนาด้วยที่ได้รับประโยชน์จากการไลค์ในเช้าวันนี <c oughs> ห้หรือที่ผ่านมาก็ต้องเป็นประโยชน์ก็ก็แชร์กันไลค์กันแชร์กัน ให้ได้ทั่วถึงเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาของเราเหมือนได้รับความสนใจในทางที่ถูกบ้างหมดแล้วมั้งคำถามหมดแล้วขอเจริญพรยมนาลาชินนะนาลาชินติน โยมลันยาโยมพองใบโยมนาลิศลาโยมจิตรวัตก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่หรอกคือคือคงจะเข้ามาชมในนี้โยมทบ่บีเอกอลังนะอยู่นี่หมดมาดูกันเท่านี้นะก็ให้มีความสุขความเจริญใคาจะถามก็ถามเข้ามาถ้าในนี้เราไม่มีถามก็ ก็จะยุติการไลฟ์สดในเช้านี้